คำชี้แจงของผู้จัดพิมพ์มีผู้อ่านเป็นจำนวนมากสงสัยว่าเรื่องโลกทิพย์ตามที่บรรยายไว้ในหนังสือโลกทิพย์ภาคหนึ่งและภาคสองนั้นเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นนิยายถ้าหากเป็นเรื่องจริงเรื่องที่นายแอนโทนีบอร์เจียผู้เขียนเรื่องนี้ทราบได้อย่างไรได้มีวิธีติดต่อกับท่านโรเบิร์ตอิวเบนสันซึ่งได้ตายไปนานแล้วได้อย่างไรปัญหาต่า ง, างในตำนองนี้ ครั้งแรกข้าพเจ้าก็คิดว่าจะตอบด้วยตนเองเพราะข้าพเจ้าได้มีจดหมายติดต่อกับนายแอนโทนีบอร์เจียได้ซักถามถึงปัญหาต่างๆที่ข้าพเจ้าสงสัยนายแอนโทนีบอร์เจียก็ได้ตอบมาให้ข้าพเจ้าทราบเป็นที่พอใจในขณะที่ข้าพเจ้าทําการติดต่อในครั้งนั้นข้าพเจ้ายังไม่ได้อ่านภาคสามเมื่อมาจัดพิมพ์ภาคสามขึ้นได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนี้อย่างละเอียดจึงได้ทราบว่าปัญหาต่างๆที่ข้าพเจ้าสงสัย และที่คนอื่นสงสัยในแอนโทนีบอเจียได้ตอบไว้แล้วในหนังสือโลกทิพย์ภาคสนี้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่จำเป็นที่จะต้องตอบปัญหาที่คนส่วนมากสงสัยกันนั้นหนังสือโลกทิพย์ภาคสมีชื่อในภาษาอังกฤษว่า Here and Hereafter โลกนี้และโลกหน้าได้พิมพ์ครั้งแรกเมื่อคริสตศักราช1959และได้พิมพ์ต่อมาอีกหลายครั้ง หนังสือเล่มนี้มีสาระอย่างไรข้าพเจ้าไม่จําเป็นที่จะต้องชี้แจงเพราะข้อความในหนังสือเล่มนี้เมื่อท่านอ่านดูโดยตลอดแล้วก็จะทราบได้ด้วยตัวของท่านเองข้าพเจ้าเป็นห่วงอยู่อย่างเดียวคือเกรงว่าชาวพุทธที่มีทัศนคแคบมีความลำเอียงที่คอยแต่จะนึกว่าเรื่องในพระพุทธศาสนาเท่านั้นถูกต้องเรื่องของศาสนาอื่นไม่เป็นความจริงจะมองข้ามสาระอันสําคัญไปเสีย ความจริงสิ่งที่เป็นหลักความจริงนั้นไม่ว่าจะอยู่ในศาสนาไหนย่อมเหมือนกันหมดบางคนที่อ่านหนังสือโลกทิพนี้เมื่อไปเห็นข้อความที่ตนเองรู้สึกว่าไม่มีอยู่ในหลักพระพุทธศาสนาหรือขัดกับหลักพระพุทธศาสนาก็มักจะถือว่าของเขาผิดข้าพเจ้าเป็นห่วงในแง่นี้มากจึงได้พยายามทำหมาเหตุซึ่งทั้งหมดมี29หัวข้อหมาเหตุแต่ละข้อได้อธิบายความหมายที่เข้าใจา ย, ยาก แลเปรียบเทียบกับหลักในพระพุทธศาสนาอันไหนที่เหมือนกันก็บอกว่าเหมือนกันอันไหนที่ต่างกันก็บอกว่าต่างกันข้าพเจ้าคิดว่าหมายเหตุที่ข้าพเจ้าเขียนขึ้นนี้คงจะให้ความสว่างแก่ผู้อ่านหนังสือโลกทิพย์ได้ตามสมควรอันหนึ่งข้าพเจ้าอยากจะบันทึกไว้ด้วยว่าหนังสือโลกทิพย์ไม่ใช่หนังสือนิยายและไม่ใช่หนังสือที่เขียนขึ้นตามจินตนาการ เป็นหนังสือที่อธิบายถึงความจริงในโลกของโอปปาติกะแต่ก็ขอให้เข้าใจไว้ด้วยว่าข้อความที่บรรยายไว้ในหนังสือโลกทิพนี้เป็นแต่เพียงบางส่วนของโลกทิพและเป็นส่วนที่เล็กน้อยมากเพราะฉะนั้นขอให้ท่านผู้อ่านอย่าได้ถือเป็นกฎตายตัวตามข้อความในหนังสือโลกทิพเรื่องราวต่างๆของโลกทิพที่ตรงกันข้ามหรือที่แตกต่างจากที่กล่าวไว้ในหนังสือโลกทิพนี้ยังมีอีกมากมาย และข้าพเจ้าก็ใกล้ที่จะบันทึกไว้ด้วยว่าบุคคลคนหนึ่งตามที่กล่าวไว้ในหนังสือโลกทิพย์คือท่านเอ็ดวินท่านผู้นี้ได้มาพบกับข้าพเจ้าแล้วเมื่อคืนวันคริสต์มาสของปีคริสตศักราช1966เพราะฉะนั้นตามความรู้สึกของข้าพเจ้าจึงไม่สงสัยว่าหนังสือโลกทิพย์อาจจะเป็นหนังสือนิยายเพราะเรื่องราวต่างๆเท่าที่กล่าวไว้ในหนังสือโลกทิพย์นี้ ข้าพเจ้าเดียวรู้มาก่อนที่จะได้อ่านหนังสือโลกทิพย์และที่ข้าพเจ้ารู้ก็โดยวิธีเดียวกันกับนายแอนโทนีบอร์เจียคือรู้ได้ด้วยวิธีการติดต่อทางสมาธิบันทึกของข้าพเจ้าเท่าที่กล่าวมานี้ผู้อ่านส่วนมากอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อแต่ใครจะรู้สึกอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าไม่เป็นห่วงราความจริงย่อมต้องเป็นความจริงเมื่อเวลาผ่านไปนานๆ คนทั้งหลายก็ย่อมจะรู้เองว่าเรื่องที่ข้าพเจ้าพูดนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จข้าพเจ้ามีศรัทธาอย่างแท้จริงในการจัดพิมพ์หนังสือโลกทิพย์โดยมีวัตถุประสงค์อย่างไรผู้ที่ได้อ่านหนังสือวิญญาณซึ่งเป็นหนังสือออกรายเดือนของสำนักค้นคว้าทางวิญญาณก็ย่อมจะทราบเจตนาของข้าพเจ้าได้ดีเพราะฉะนั้นการที่อาจารย์สิริพุทธสุขได้กรุณาแปลออกมาเป็นภาษาไทย ซึ่งใช้จำนวนที่อ่านเข้าใจง่ายชวนอ่านและมีความหมายตรงกับต้นฉบับเดิมเพราะมื่อข้าพเจ้าได้อ่านจากต้นฉบับเดิมและได้อ่านคำแปลของอาจารย์สิริเปรียบเทียบกันดูอย่างละเอียดแล้วมีความรู้สึกเกิดขึ้นอยู่เสมอว่าหนังสือประเภทนี้ยากที่จะหาไกลปลด้วยการถอดความโดยไม่ให้เสียความและน่าอ่านเหมือนกับที่อาจารย์สิริทําอยู่นี้เพราะฉะนั้นจึงไม่จําเป็นจะต้องพูดก็ได้ว่า ข้าพเจ้าจะมีความขอบคุณในผลงานของอาจารย์สิริสักเพียงใดเราผู้แปลนอกจากจะไม่เอาอะไรคือแปลให้เปล่าเปล่าแล้วยังแถมยกลิขสิทธิ์ฉบับปลานี้ให้แก่สํานักค้นคว้าทางวิญญาณเป็นผู้จัดพิมพ์แต่ผู้เดียวตลอดไปการที่อาจารย์สิริเต็มใจแปลให้เปล่าเปล่าและยกลิกสิทธิ์ให้นี้ก็เพราะอาจารย์สิริกับข้าพเจ้ามีใจตรงกันกล่าวคือต้องการจะเผยแผ่เรื่องโลกทิพ ด้วยใจที่เป็นกุศลเพราะมองเห็นแล้วว่าศา ส, สนาทุกศาสนาไม่เฉพาะแต่พุทธศา ส, สนาเท่านั้นต่างก็จะมีชีวิตสดชื่นกะปรี่กับเราขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากซบเซามานานถ้าหากโลกได้ยอมรับว่าคนเราตายแล้วไม่สูนตายแล้วก็ยังมีชีวิตอาจารย์สิริได้ตั้งใจที่จะเผยแพร่ผลงานอันนี้เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของศาสนาทุกศาสนาและเพื่อสันติสุขของโลกโดยส่วนรวม ผู้อ่านหนังสือโลกทิพย์ขอได้โปรดเข้าใจเจตนาของอาจารย์สิริพุทธสุขผู้แปลและของข้าพเจ้าผู้พิมพ์ดังที่ได้แถลงมาให้ทราบและถ้าหากท่านผู้ใดมีปัญหาเกิดขึ้นก็ขอได้โปรดติดตามอ่านหนังสือของสํานักค้นคว้าทางวิญญาณซึ่งข้าพเจ้าแน่ใจว่าสักวันหนึ่งท่านก็คงจะมีความเชื่อและเข้าใจเหมือนกับที่ข้าพเจ้ามีอยู่เดียวนี้ซึ่งถ้าหากเป็นไปเช่นนั้นก็หมายความว่า ความตั้งใจของอาจารย์สิริและของข้าพเจ้าที่ได้พยายามพิมพ์หนังสือนี้ออกมาได้บรรลุถึงจุดหมายตามที่ได้ต้องการไว้แล้วลวงชื่อพรรัตนสุวรรณ12กรกฎาคมพุทธศักราช2510